บทที่9การเจริญสติปัฏฐานต่อจากนี้ไปจะกล่าวถึงการเจริญสติปัฏฐานซึ่งก็คือวิธีการเจริญมัตในปัจจุบันมีการสอนสติปัฏฐานอยู่กว้างขวางทั่วไปสำนักปฏิบัติธรรมแทบทุกแห่งนำมหาสติปัฏฐานสูตรไปอธิบายตีความเป็นรูปแบบ หรืออุบายการปฏิบัติในสำนักของตนซึ่งทำให้มีข้อปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปบ้างทำให้ผู้แรกศึกษาเกิดความสับสนว่ารูปแบบใดถูกต้องมากกว่ากันนอกจากนี้ยังมีผู้เขียนหนังสืออธิบายมหาสติปฐานสูตรไว้อย่างพิสดารซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเพื่อ น, นักปฏิบัติควรศึกษาพระปริยติธรรมชั้นเดิมจะถูกต้องแน่นอนกว่า ผู้เขียนไม่สามารถอธิบายตีความมหาสติปฐานสูตรได้เองจำเป็นต้องศึกษาจากพระไตรปิฎกอัตถกถาและคำพีพระอภิธรรมเช่นคำพีอภิธรรมมัตสังกหะและคำพีวิสุทธิมักรวมทั้งใช้ตำราเรียนพระอภิธรรมของสำนักเรียนสองสำแห่งประกอบด้วยอันหนึ่งในหัวข้อเรื่องการจเจริญสติปทานนี้ ผู้เขียนจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วนคือส่วนแรกจะเล่าให้เพื่อนนักปฏิบัติฟังว่าพระประยะิยัติธรรมท่านสอนไว้อย่างไรโดยประมวลสรุปคำสอนจากคำภีและตำราที่กล่าวถึงไว้แล้วนั้นและส่วนที่2หากมีประเด็นที่ผู้เขียนมีข้อสังเกตเพิ่มเติมผู้เขียนก็จะเขียนไว้ด้วยแต่จะแยกหัวข้อให้เห็นได้ชัดเจนว่าส่วนใดเป็นข้อสังเกตของผู้เขียน ทางนี้เพื่อป้องกันความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้อา่านเพราะข้อสังเกตของผู้เขียนอาจจะผิดพลาดได้เสมอในขณะที่พระปริยะติสัจธรรมมีการรักษาสืบทอดกันมาเป็นอย่างดีโอกาสผิดพลาดจึงมีน้อยมากหรือไม่มีเลยสาระสำคัญของเรื่องสติปัฏฐานมีดังนี้คือ 1. ความหมายของสติปัฏฐานคือการตั้งมั่นในการระลึกรู้อารมณ์ที่เป็นฝ่ายดีมีความหมายเฉพาะถึงอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งสติ4ประการคือกายเวทนาจิตและธรรมข้อสังเกตของผู้เขียนขอแทรกข้อสังเกตส่วนตัวบางประการดังนี้กตำราเก่า มักแปลคำว่าสติว่าการระลึกรู้หรือการระลึกได้ซึ่งผู้เขียนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะการระลึกรู้นั้นเกิดขึ้นจากการที่จิตจดจาสภาวธรรมคือรูปนามได้แม่นยำไม่ได้เกิดจากความอยากจะรู้อาจารย์สอนพระอภิธรรมบางท่านในยุคนี้เห็นว่าคำว่าระลึกรู้ก็ยังไม่ดี เพราะผู้ฟังอาจแปลความหมายว่าการระลึกคือการคิดคิดเอาก็ได้ในที่นี้โปรโดทราบว่าผู้เขียนไม่ต้องการใช้คําว่าระลึกรู้ในความหมายของการคิดหรือแม้แต่การพยายามจะรู้แต่หมายถึงการรู้สึกรู้สึกเอาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้สึกถึงอาการปรากฏทางกายและ การรู้สึกถึงอาการปรากฏทางใจซึ่งจะให้ปนเปื้อนโดยการคิดหรือการหลงคิดไม่ได้เลยแต่บ่อยครั้งมากที่ในชั้นหลังเราไปแปลคําว่าสติว่าการกำหนดรู้ซึ่งแสดงถึงความจงใจที่จะรู้อันมีตันหาอยู่เบื้องหลังของการกระทําดังกล่าวดังที่อัตตกถามาหาสติปฐานสูตรระบุไว้อย่างชัดเจนว่า สติอันกำหนดรู้รูปนามเป็นอารมณ์เป็นทุกขสัตว์ตัณหาที่อยู่เบื้องหลังการกำหนดรู้รูปนามเป็นอารมณ์เป็นสมุทยัยขอคำว่าอารมณ์ที่เป็นฝ่ายดีนั้นท่านระบุชัดว่าคำนี้มีความหมายเฉพาะหมายถึงกายเวทนาจิตธรรมไม่ได้หมายถึงอารมณ์ที่ดี เพราะกายเป็นรูปเป็นวิบากซึ่งไม่มีดีไม่มีชั่วเวทนาเป็นนามเป็นวิบากซึ่งไม่มีดีไม่มีชั่วเช่นกันส่วนจิตมีทั้งที่เป็นกุศลอกุศลและวิบากไม่ได้มีเฉพาะจิตที่ดีอย่างเดียวสำหรับธรรมซึ่งมีทั้งรูปและนามจึงมีทั้งธรรมที่เป็นวิบากเป็นกุศลและ อกุศลการที่ท่านระบุว่ากายเวทนาจิตและธรรมเป็นอารมณ์ที่เป็นฝ่ายดีนั้นอาจเป็นเพราะเป็นอารมณ์ที่เมื่อสติระลึกรู้แล้วสามารถบรรเทาหรือละความเห็นผิดในรูปนามเสียได้คือละความเห็นผิดว่ารูปเป็นของงามเวทนาเป็นสุขจิตเที่ยงและธรรมเป็นตัวตนเป็นต้น เชิญอ่านประยะิยัติธรรมต่อ 2. อารมณ์ของสติปฐานอารมณ์ในสติปฐานจำแนกได้สป่ปฐานคือกายเวทนาจิตและธรรมและมีทั้งอารมณ์ที่เป็นบัญญัติ ซึ่งใช้ในการทำสมถภาวนาและอารมณ์ที่เป็นปรมัติ์ซึ่งใช้ในการทำวิปัสสนาภาวนาดังนี้ 2.1 กายานุปัสสนาสติปัฏฐานคำว่ากายหมายความถึงที่ประชุมแห่ง 1. รูปธรรมคือกรรมมัชรุป 2. วิบากจิตและ3เจตสิกที่ประกอบจิตนั้น ส่วนคำว่ากายานุปัสนาสติปทานหมายถึงการตั้งมั่นในการตามระลึกรู้กายอยู่หนึ่งเนืองแบ่งเป็น14บัพพระได้แก่ 2.1.1 อาณาปานาสติได้แก่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าใช้ทาได้ทั้งสมถะและวิปัสนาคือถ้ากำหนดบัญญัติคือลมหายใจออกเข้าให้เป็นที่ตั้งแห่งการเพ่ง ก็เป็นสมถะถ้าระลึกรู้ความร้อนเย็นของลมที่กระทบริมทีปากบนหรือปลายจมูกเพื่อรู้รูปธรรมจนเห็นไตรลักษณ์ก็เป็นวิปัสสนาข้อสังเกตของผู้เขียนก็การที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ระลึกรู้ลมหายใจออกก่อนนั้นน่าจะเป็นด้วยการหายใจออกเป็นไปตามธรรมชาติส่วนการหายใจเข้านั้น ง่ายต่อการตั้งท่าปฏิบัติหรือเกิดความเกรงทางกายและจิตใจซึ่งเป็นอุปสรรคทั้งในการทำสมถะและวิปัสสนาขอการเพ่งลมหายใจอันเป็นการทำสมถะหากทำไปจนเกิดฌานก็สามารถใช้สติตามระลึกรู้องฌานที่ดับไปเป็นการทำวิปัสสนาในแนวทางของสมถียานิกได้อีกทางหนึ่ง สมถญยานิษแปลว่าผู้มีสมถะเป็น ญ, ญาณคือผู้ทำความสงบ ก, ก่อนแล้วเจริญปัญญาในภายหลังทั้งนี้ถ้าพิจารณาดูคำสอนเรื่องอนาปานสติจะเห็นได้ว่าท่านสอนถึงเรื่องการระ ง, งับกายสังขารหรือลมหายใจไปด้วยซึ่งเป็นสภาวะที่จะปรากฏเมื่อจิตดำเนินถึงรูปฌานสี่ตามนัยยะแห่งพระสูตร และรูปฌานห้าตามนัยยะแห่งพระอภิธรรมอันแสดงให้เห็นว่าการเจริญอานาปานสติจริงๆนั้นท่านน่าจะมุ่งเน้นสำหรับสมถยานิกจึงเป็นเรื่องยากที่ผู้คนทั่วไปจะเจริญสติโดยใช้อาณาปานสติได้จริงขอลมหายใจมีธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนไหวและนุ่มนวลชวนเคลิมง่าย ยิ่งลมละเอียดก็ยิ่งยากที่สติสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นผู้เจริญอาณาปานสติจึงมักนั่งหลงเคลิบเคลิ้มลืมตัวกันสิมากนอกจากนี้การจะเฝ้ารู้รูปของลมหายใจจนเห็นลักษณะความเกิดดับของรูปคือการทำลักคนูปนิชฌานอันเป็นการเจริญวิปัสสนาก็ยากมากแต่สิ่งที่เป็นไปได้ง่ายก็คือ การเพ่งตัวลมหายใจหรือการทำอารัมมณูปนิชฌานอันเป็นการทำสมถะจึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้เจริญอาณาปานสติส่วนมากที่ผู้เขียนได้พบมักเพลินอยู่กับความสุขความสงบหรือเพ่งจ้องนิ่งแช่อยู่กับลมหายใจอันเป็นการทำสมถะยยิ่งกว่าจะก้าวเข้าไปถึงขั้นการเจริญวิปัสสนาได้จริงงอ แม้การเจริญอานาปานสติจะเหมาะกับสมถียานิกแต่ถ้าผู้ปฏิบัติอาศัยการระลึกรู้ลมหายใจออกเข้าเพื่อเป็นฐานก้าวไปเจริญพิปั ส, สนาด้วยการระลึกรู้อารมณ์รูปนามในบัพพะและประธานอื่นนอกเหนือจากอานาปานสติบัพภะกลับเป็นเรื่องที่พอจะกระทำได้ไม่ยากเกินไปนักกล่าวคือการระลึกรู้ลมหายใจ แล้วเห็นถึงธาตุของลมหายใจเป็นการเจริญสติปัฏฐานในธาตุมณสิการะบาภะซึ่งตำราปรยิยติธรรมมักสอนให้เจริญอนาปานสติโดยการรู้ธาตุไฟแต่ความจริงจะรู้ธาตุอื่นด้วยก็ได้คือถ้าระลึกรู้มวลของลมหายใจที่กระทบริมฟิปากบนหรือปลายจมูกเพื่อรู้รูปธรรมคือความอ่อนแข็ง ก็คือการรู้ธาตุดินถ้ารู้ความไหวของลมหายใจก็คือการรู้ธาตุลมหากรู้จนเห็นไตรลักษณ์ก็เป็นการเจริญวิปัสสนาได้เช่นกันการระลึกรู้ความไหวของลมหายใจด้วยความรู้สึกตัวก็อาจพลิกไปเป็นการเจริญสติปัฏฐานในสัมปชัญญะบัพพะได้การระลึกรู้ลมหายใจออกเข้าไปอย่างสบายสบาย แล้วพลิกสติไประลึกรู้เวทนาทางใจแทนการรู้ลมเป็นการทำเวทนานุปัสนาสติปฐานเช่นหายใจไปแล้วเกิดรู้สึกถึงความสุขสงบใจหรือความอึดอัดใจที่เกิดขึ้นเป็นต้นหรืออาจพลิกสติไประลึกรู้จิตแทนการรู้ลมเป็นการทำจิตตานุปัสนาสติปทานก็ได้เช่นรู้ว่าจิต เกิดราคะคือความพอใจในความสุขสงบที่เกิดจากการทำอนาปานสติเป็นตน้นเชิญอ่านป ร, ริยติธรรมต่อ 2.1.2 กายานุปัสสนาสติปัฏฐานอีกสามบพะ คือหนึ่งอิริยาบถสีหรืออิริยาบถใหญ่คือรูปยืนเดินนั่งนอนสองสัมปัญญะหรืออิริยาบถย่อยเช่นการก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเหลียวซ้ายแหลขวาคูเหยียดเป็นต้นและสามท่าทั้งสี่ คือดินน้ำไฟลมอารมณ์ทั้งสามแบบภานี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาจะนำไปเพ่งให้เกิดฌานาจิตไม่ได้การรู้อิเรียบทใหญ่และอิเรียบทย่อยนั้นต้องมีสติระลึกรู้อิเรียบทและต้องมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ทุกขณะที่เคลื่อนไหวไม่จะทำไปเรื่อยๆโดยไม่รู้สึกตัวอีกนัยยะหนึ่ง ต้องเคลื่อนไหวโดยชอบด้วยเหตุผลไม่ใช่ทําไปตามความอยากการระลึกรูปก็เพื่อจะได้เห็นความจริงว่ารูปกายที่เคยยึดว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั้นแท้จริงก็เป็นแต่เพียงรู ป, ปรธรรมมาประชุมร่วมกันเป็นรูปกายแม้การเคลื่อนไหวกายก็เป็นไปด้วยอำนาจผลักดันของาธาตุลมตามคำสั่งของจิต ไม่ใช่เราเดินหรือเขาเดินข้อสังเกตของผู้เขียนก็ผู้ปฏิบัติไม่ควรประมาทว่าอิริยาบถใหญ่อิริ ย, บยาบถย่อ ย, ย, อยและธาตุสีเป็นอารมณ์ประมาทใช้ทําสมถะไม่ได้เพราะในความเป็นจริงผู้เขียนสังเกตเห็นว่าผู้ปฏิบัติจํานวนมากไปหลงเพ่งมันหยัดกายแทนที่จะระลึกรู้รูป และลักษณะไตร ล, ลักษณ์ของรูปเช่นเพียนเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องและคอยกำหนดบัญญัติถึงการยกการย่างเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นการเพ่งอารมณ์บัญญัติซึ่งบัญญัติถึงอารมณ์ปรมัตน์ไม่ใช่การตามมรกรู้อารมณ์ปรมัตน์เพื่อจะเห็นลักษณะจึงควรระมัดระวังให้ดีเพราะจะเป็นการหลงทำสมถะ ทั้งที่คิดว่ากำลังเจริญวิปัสนาอยู่พอเกิดนิมิตหรืออาการของปีติเช่นเห็นร่างกายเป็นโครงกระดูกตัวเบาตัวหนักเป็นต้นจึงหลงผิดว่าเกิดวิปัสนาญาได้อีกประการหนึ่งการรู้อิริยาบถสีเป็นการรู้รูปด้วยใจหากผู้ปฏิบัติสามารถ ระลึกรู้จนสัญญากำหนดจดจารูปได้แม่นยำบางครั้งแทนที่จะรู้สภาวะของรูปที่เป็นปัจจุบันด้วยความมีสติสัมปชัญญะกลับไปหลงเพ่งรูปในความจำแทนซึ่งรูปดังกล่าวก็คืออุกฆานิมิตสามารถเพ่งจนเกิดปฏิภาคนิมิตและชาณจิตได้เช่นเดียวกับการเพ่งปฐวีกรสินนั่นเองและมีนักปฏิบัติจานวนมาก สามารถเพ่งจนรูประเบิดหรือเกิดแปรสภาพเป็นโครงกระดูกหรือเพ่งจนรูปกายอันเป็นออคาสในมิตในอิรยาบทนั่งนั้นเกิดความใสเป็นแก้วนึกย่อและขยายได้เป็นปฏิภาคในมิตจนเกิดความสำคัญผิดว่าพบกายพระอริยะเข้าแล้วทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วปฏิภาคในมิต ด, ดังกล่าว เกิดอยู่ในระดับของอุปจาระสมาธิเท่านั้นเองหรือบางคนเพ่งรูปทางใจจนดับนามขันเหลือเพียงรูปกายนั่งแข็งทื่อหมดความรู้สึกเป็นการพลิกไปสู่อสัญญาสัตตาภูมิหรือพรมลูกฟักก็มีดังนั้นจึงไม่ควรประมาทว่าหากระลึกรู้อิริยาบทสี่แล้วจะไม่มีทางพลิกไปเป็นการทำสมถะภาวนาได้เลย ประเด็นที่ว่าต้องเคลื่อนไหวไปอย่างมีเหตุผลไม่ใช่จงใจเคลื่อนไหวด้วยอำนาจของตัญหาและทิฏฐิเป็นเรื่องที่น่ารับฟังมากและเป็นประเด็นถกเถียงที่สำคัญในระหว่างสำนักปฏิบัติคือฝ่ายหนึ่งเห็นว่าต้องจงใจทำอิริยาบถไปก่อนหรือกำหนดจังหวะการเคลื่อนไหวไปก่อนเพื่อให้สติที่ยังอ่อนอยู่สามารถตามรู้การเคลื่อนไหวได้ทัน แต่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าการจงใจเดินจงกรมการจงใจนั่งปฏิบัติธรรมแม้กระทั่งการจงใจเดินให้ช้าและมีการแยกซอยจังหวะการเดินล้วนเป็นการกระทาด้วยตัณหาคือความอยากปฏิบัติทั้งสิน้นจึงควรรู้ทันความอยากแล้วเคลื่อนไหวไปอย่างมีเหตุผลหากจะถามความเห็นของผู้เขียนว่าทาอย่างไรจึงจะถูกต้อง ผู้เขียนมีความเห็นส่วนตัวว่าการปฏิบัติธรรมควรจะปล่อดจากตัณหาและทิฏฐิหากจงใจดัดแปลงจิตให้สงบผิดปกติหรือจงใจดัดแปลงอารมณ์เช่นเดินให้ชาลงและเป็นจังหวะจะทำความทุกข์ทางใจให้เกิดขึ้นเพราะเมื่อมีตัณหาก็ต้องมีทุกข์นอกจากนี้ความจงใจนั้นเองง่ายที่จะนำไปสู่การเพ่งกาย ดังนั้นแทนที่จิตจะดำเนินไปในแนวทางของวิปัสสนากลับจะพลิกไปเป็นสมถะเสอีกผู้ปฏิบัติจึงเกิดอาการของสมถะกันมากเช่นรู้สึกตัวเบาตัวลอยตัวหนักตัวใหญ่รู้สึกวูบวาบรู้สึกเหมือนมีมแมลงมาไ ต, ต่ตอมร่างกายเห็นร่างกายเป็นโครงกระดูกเห็นโครงกระดูกเดินล้อมร่างกาย หรือขาสติดับความรู้สึกวูบไปเป็นต้นอย่างไรก็ตามการปฏิบัติตามรูปแบบก็มีข้อดีคือทำให้ผู้ปฏิบัติสบายใจว่าได้ปฏิบัติธรรมเกิดความภาคเพียรได้ฝึกความอดทนอดกลั้นที่สำคัญคือบางท่านอาจมองทะลุบัญญัติเข้าไปเห็นสภาวะจริงของรูปปรมัตถ์ก็เป็นได้เหมือนกัน อย่างเช่นบางท่านจงใจเดินจงกรมหามรุ่งหามคำ่ำเพื่อแก้ความง่วงและความขาดสติเดินไปถึงจุดหนึ่งสติปัญญาเกิดตื่นตัวไปเห็นอารมณ์ปรมัตก็มีหรือบางท่านเคลื่อนไหวมือเป็นจังหวะแล้วเกิดความรู้สึกตัวจิตก็พ้นจากการครอบงำของความคิดนึกปรุงแต่งแล้วสามารถเห็นอารมณ์ปรมัตได้อย่างนี้ก็มีไม่น้อย ดังนั้นผู้เขียนจึงไม่โต้แย้งแนวทางจงใจปฏิบัติจะจงใจก่อนแล้วรู้ทันความจงใจในภายหลังก็ได้เอาเป็นว่าผู้เขียนไม่ถนัดเพราะรู้สึกเป็นภาระก็แล้วกันแต่ถ้าถามว่าผู้เขียนเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิบ้างหรือไม่ก็ขอตอบตามตรงว่าทำบ้างแต่ทำเพื่อแก้เมื่อยหรือเพื่อจิตมีเครื่องอยู่ที่สบาย เป็นการพักผ่อนบ้างในบางโอกาสแต่ส่วนมากในระหว่างที่เดินหรือนั่งนั้นก็รู้สึกตัวแล้วรู้รูปรู้นามไปด้วยตามแต่สิ่งใดจะปรากฏเพราะจำเป็นต้องเดินและนั่งอยู่แล้วหากมีสติไปด้วยจะได้ไม่เปลืองเวลาไ ป, ปเปล่าๆคอประเด็นที่ว่าต้องมีสติรึกรู้อิรยิยาบถและการเคลื่อนไหวต่างๆ และต้องมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ทุกขณะที่เคลื่อนไหวนั้นจัดว่าเป็นหัวใจของการปฏิบัติวิปัสนาทีเดียวคือต้องมีสติทาหน้าที่ระลึกรู้อาการปรากฏและความไหวนิ่งของรูปและขณะที่รู้นั้นจิตต้องมีสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นสักว่ารู้รูปไม่ใช่หลงเพ่งหรือหลงคิดเรื่องรูปหรือ หลงใจลอยไปถึงเรื่องอื่นแล้วสัมปชัญญะปัญญาก็จะเกิดขึ้นคือเกิดความรู้สึกตัวและเห็นรูปเป็นเพียงสักว่ารูปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาโดยไม่ต้องคิดนำไปอย่างใดเชิญอ่านป ร, ริยติธรรมต่อ 2.1.3 ปฏิกูลสัญญาและอสุภะอีกเก้าบัพภะใช้ในการเจริญสมถภาวนาอย่างเดียวนอกจากนี้ในมหาสติปฐานสูตรท่านกล่าวถึงคำว่ากายในกายกายในกายอันเป็นภายในกายในกายอันเป็นภายนอกคำเหล่านี้มีความหมายดังนี้คือกายในกาย กายคือที่ประชุมแห่งรูปจำนวนมากรวมทั้งจิตและเจตสิกด้วยส่วนคำว่ากายในกายหมายความว่าให้รู้รูปเดียวในหลายๆรูปเช่นถ้าจะทำอนาปานสติก็รู้ธาตุลมหรือธาตุไฟอย่างเดียวถ้าจะรู้รูปเดินก็รู้การเคลื่อนไหวไปแห่งกายนี้อย่างเดียวด้วยอำนาจของธาตุลมเป็นต้น กายในกายอันเป็นภายในและกลายในกายอันเป็นภายนอกมีความหมายเช่นถ้ารู้ลมหายใจที่เป็นไปในรูปกายนี้ก็เป็นภายในถ้ารู้ลมหายใจที่เป็นไปในรูปกายอื่นก็เป็นภายนอกข้อสังเกตของผู้เขียนกคำว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิต และธรรมในธรรมน่าจะหมายถึงกายเวทนาจิตธรรมซึ่งแยกย่อยตามที่พระพุทธเจา้าทรงแจกแจงไว้ในมหาสติปฐานสูตรนั่นเองไม่น่าจะมีความหมายให้ต้องคิดมากเช่นลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็เป็นกายในกายรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนก็เป็นกายในกาย ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นเวทนาในเวทนาจิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็เป็นจิตในจิตกามฉันทะพยาบาทรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็เป็นธรรมในธรรมเป็นต้น ขอเรื่องกายในกายที่ว่าให้รู้รูปเดียวในหลายๆรูปนั้นผู้เขียนเห็นว่าในเบื้องต้นจะจงใจทำเช่นนั้นก็ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อจิตเกิดสติอัตโนมัติผู้ปฏิบัติจะไม่มีความจงใจรู้รูปใดรูปหนึ่งแต่หากจิตจะรู้รูปใดก็รู้รูปนั้นเพียงรูปเดียวในขณะนั้น จะต่างกับการจงใจรู้รูปใดรูปหนึ่งเพียงรูปเดียวแล้วไม่ยอมรับรู้รูปอื่นๆแท้จริงรูปเป็นเพียงสิ่งที่จิตสักว่าอาศัยรู้สติสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นจิตจะรู้รูปใดก็ได้เพราะรูปทุกรูปล้วนแสดงไตรลักษณ์เหมือนกันทั้งสิ้นขอทราบว่ามีผู้ศึกษาพระอภิธรรมบางท่าน ไม่เห็นด้วยกับตำราปริยัติธรรมที่ว่ากายในกายอันเป็นภายในคือรูปกายนี้และกายในกายอันเป็นภายนอกคือรูปกายอื่นด้วยเหตุผลที่ว่ามหาสติปัฐานสูตรมีการกล่าวถึงการรู้ทั้งกายในกายอันเป็นภายในและกายในกายอันเป็นภายนอกซึ่งเกิดปัญหาว่าจะรู้ได้อย่างไรทีละหลายอย่าง จึงคิดว่าน่าจะตีความคําว่าภายในและภายนอกเป็นอย่างอื่นเช่นกายภายในคือจิตที่ไปรู้รูปกายซึ่งเป็นกายภายนอกเป็นต้นความจริงการตีความอย่างนี้ก็ยังไม่พ้นปัญหาเดิมคือจะรู้จิตกับกายพร้อมกันได้หรือเรื่องนี้ผู้เขียนเห็นว่าตําราประยะิยติธรรมที่เรียนกันอยู่นั้นน่าจะถูกต้องแล้ว ไม่ควรตีความคําว่ากายภายในกับกายภายนอกให้ยุ่งยากซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมเพราะผู้ที่เจริญสติจนมีสติปัญญาเป็นอันตโนมัติแล้วจะพบเห็นสภาวะอย่างหนึ่งสามารถรู้เห็นธรรมอันเป็นภายในและภายนอกกลมกลืนราบเรียบและเสมอกันในความรู้สึกได้ในคราวเดียวเพราะสิ่งที่เห็นอันเดียวในขณะนั้นคืออนัตตลักษณะหรืออนิจจลักษณะ หรือทุกขลักษณะที่มีรูปนามทั้งปวงเป็นเพียงฉากหลังของการรับรู้เท่านั้นสภาวะดังกล่าวนี้อาจเปรียบเทียบได้กับเรื่องที่ตำ ร, ราเรียนพระอภิธรรมปริชเฉตที่ 9, ของบางสำนักระบุว่าสังขารุบเบขาญาณมีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์โดยมีรูปนามเป็นเครื่องรองรับความปรากฏของไตรลักษณ์อันหนึ่ง ความเห็นของผู้เขียนในจุดนี้อาจจะไม่ถูกต้องในเชิงปริยัติธรรมก็ได้โปรดอ่านด้วยความระมัดระวังจิตในขณะนั้นจะเปิดโล่งโปร่งเบารู้สึกตัวอยู่โดยไม่ต้องประคับประคองและไม่มีการแบ่งแยกภายในกับภายนอกแต่อย่างใดเพราะไม่มีความสําคัญมั่นหมายว่านี่เป็นเราเราเป็นนี่ ส่วนอันนั้นเป็นของภายนอกไม่ใช่เราและก็คือสภาวะที่พ่อแม่ครูอาจารย์พระป่าหลายรูปท่านพูดถึงว่าเป็นสภาวะที่โลกราบเป็นหน้ากลองและหลวงปู่ดูลอัตตุโลท่านกล่าวว่าเมื่อเห็นจิตกับสภาวะที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันคือเป็นไตรลักษณ์จิตจะหมดการดิ้นรนแสวงหา แล้วปล่อยวางรูปธรรมนามธรรมทั้งปวงได้ถ้าจะเปรียบเทียบสภาวะดังกล่าวให้เข้าใจง่ายขึ้นก็อาจเปรียบได้ว่าเดิมเราอยู่ในที่ต่ำและคับแคบการมองสิ่งต่างๆย่อมมองได้ในมุมแคบและเห็นภาพที่จำกัดและใกล้ชิดต่อมาเราขึ้นไปอยู่บนที่สูงเช่นบนยอดเขาเมื่อมองภาพที่ปรากฏ กลับเห็นภาพที่กว้างขวางมากและเห็นอยู่ห่างๆนี้ฉันใดจิตที่มีกำลังน้อยก็เห็นอารมณ์ได้อย่างคับแคบและใกล้ชิดพอจิตอบรมสติปัญญามากขึ้นจะถอดถอนตนเองออกห่างจากอารมณ์ไม่คลุกคลีติดยึดกับอารมณ์และเห็นอารมณ์ได้กว้างขวางขึ้นในการมองเพียงครั้งเดียวนี้ฉันนั้นในสภาวะดังกล่าวนี้ ผู้ปฏิบัติจะเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นของรูปนามเห็นธรรมคือความเสื่อมไปของรูปนามเห็นธรรมคือเห็นทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของรูปนามทั้งหลายนั้นซึ่งก็คือการเห็นไตรลักษณ์นั่นเองโดยรูปนามทั้งหลายเป็นเพียงเครื่องอาศัยรู้ของจิตเครื่องอาศัยระลึกของสติหรือเป็นฉากหลังอันเป็นที่ปรากฏ ในสภาวะนี้ตัณหาและทิฏฐิจะไม่อิงอาศัยในจิตแต่ถ้ายังมีเรามีเขามีนอกมีในมีละเอียดมีหยาบมีดีมีชั่วอยู่ตราบใดตัณหาและทิฏฐิก็ยังครอบงาจิตได้อยู่ตราบนั้น เชิญอ่านประยะิยติธรรมต่อกล่าวโดยสรุปกายานุปัสสนาสติปทานเมื่อเจริญแล้วย่อมทำให้เห็นความจริงว่ารูปไม่ใช่เราแล้วละความยึดถือรูปเสียได้บางคราวท่านก็สอนว่าการมีสติตามรู้กายเนืองๆทำให้ละวิปัาานที่ว่ากายเป็นของสวยงาม หรือสุภะลงได้ข้อสังเกตของผู้เขียนการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่เพียงแต่ทำให้เห็นว่ากายไม่งามเท่านั้นแต่ยังทำให้เห็นว่ากายไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาด้วยซึ่งการเห็นไตรลักษณ์นั้นผู้เขียนเห็นว่าสาคัญยิ่งกว่าการเห็นว่ากายไม่งามเสอีกเพราะถ้ากล่าวโดยสภาวะธรรมแล้ว กายไม่มีความงามหรือความไม่งามทั้งความเห็นว่างามและความเห็นว่าไม่งามเป็นความหลงของจิตด้วยกันทั้งคู่และในทางปฏิบัติจริงการเห็นว่ารูปเป็นทุกนั้นเห็นได้ง่ายมากเพราะถ้ารู้รูปเช่นรูปยืนเดินนั่งนอนก็จะเห็นทุกตามบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาและรูปเหล่านั้นล้วนแต่ทนอยู่ไม่ได้นาน เชิญอ่านป ร, ริยติธรรมต่อ 2.2 เวทนานุปัสนาสติปทานหมายถึงการตั้งมั่นในการตามระลึกรู้เวทนาอยู่เหนื่งเนืองมีประเด็นที่ควรทราบดังนี้ 2.2.1 เวทนานุปัสนาสติปฐานแบ่งเป็น9ก้าบพะได้แก่ 1. ระลึกรู้เหนื่งเนืองซึ่งสุขเวทนา 2. ระลึกรู้หนึ่งเนืองซึ่งทุกขเวทนา 3. ระลึกรู้หนึ่งเนืองซึ่งอุเบกขาเวทนา 4. ระลึกรู้หนึ่งเนืองซึ่งสุขเวทนาที่เจือด้วยอมิตรคือสิ่งล่อใจหรือกรมคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งสัมผัสทางกาย 5. ระลึกรู้หนึ่งเนืองซึ่งทุกขเวทนาที่เจือด้วยอมิตร ระลึกรู้หนึ่งเนืองซึ่งอุเบกขาเวทนาที่เจือด้วยอามิดเจระลึกรู้หนึ่งเนืองซึ่งสุขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิดเช่นสุขเวทนาที่เกิดจากการเจริญสมถะหรือวิปัสนา 8. ระลึกรู้หนึ่งเนืองซึ่งทุกขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิดเช่นทุกขเวทนาที่เกิดจากสภาพแห่งสังขารและ9 ระลึกรู้หนึ่งหนึ่งซึ่งอุเบกขาเวทนาที่ไม่เจือด้วยอา m i t ์เช่นอุเบกขาเวทนาที่เกิดมีความสงบจากอารมณ์ของสมถะหรือวิปัสนา 2.2.2 เวทนาทั้ง9ก้าบัพพะมีองค์ธรรมอันเดียวคือเวทนาเจตสิกเวลาปฏิบัติจึงตามรู้เวทนาทั้ง9ก้าบัพพะ ไปได้เลยโดยไม่ต้องแยกย่อยตามรู้เฉพาะบับพระใดบับพระหนึ่งหากขณะนั้นเวทนาในเวทนาอย่างใดปรากฏก็รู้สภาวะและลักษณะของเวทนานั้นไปเลยอันหนึ่งเวทนาเป็นนามปรมัตาจึงใช้เจริญวิปัสสนาเท่านั้นข้อสังเกตของผู้เขียนการระลึกรู้สภาวะของเวทนาที่กำลังปรากฏ เป็นการจเจริญวิปัสสนาจริงแต่ถ้าเกิดความปวดแล้วเพ่งความปวดอันเป็นการเพ่งใส่ตัวอารมณ์หรืออารมมนุปนิชฌานหรือบริกรรมถึงความปวดก็เป็นการรู้อารมณ์บัญญัติถึงปรมัตัยกลายเป็นการทำสมถะได้เช่นเดียวกับการเพ่งรูปหรือการบริกรรมถึงรูปต่างๆเช่นกันเชิญอ่านป ร, ริยติธรรมต่อ 2.2.3 าคำว่าเวทนาในเวทนาหมายถึงการตามรู้เวทนาทีละอย่างในบรรดาเวทนาที่มีอยู่หลายอย่างาเวนทายยาเวนาที่เกิดกับสังขารร่างกายนี้ก็เป็นเวทนาในเวทนาอันเป็นภายในเวทนาที่เกิดกับสังขารร่างกายอื่นก็เป็นเวทนาในเวทน า, นนาอันเป็นภายนอก 2.2.4 กล่าวโดยสรุปเวทนานุปัสนาสติปฐานเมื่อจเจริญแล้วย่อมทำให้เห็นความจริงว่าเวทนาเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่รูปและไม่ใช่จิตด้วยแต่เป็นนามเจตสิกเวทนาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เวทนาต่อเมื่อมีเหตุมีปัจจัยเวทนาก็ปรากฏขึ้น จะห้ามไม่ให้เกิดก็ห้าไม่ได้ครั้นหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วเวทนาก็ดับไปไม่ดำรงอยู่ตลอดไปจะห้ามไม่ให้ดับก็ไม่ได้อันหนึ่งการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจะทำลายวิปลาดที่เห็นว่าเวทนาเป็นสุขได้ข้อสังเกตของผู้เขียนการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จะทำให้พบด้วยว่ากายและจิตถูกความทุกข์เบีดเบียนอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เรียกว่าความสุขนั้นเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นปรมัติ์ก็จริงแต่เกิดขึ้นเพราะความทุกข์ในขณะนั้นเบาบางลงเช่นเมื่อนั่งนานเกิดความเมื่อยพอได้เปลี่ยนอิปรยาบทความเมื่อยหายไปก็รู้สึกเป็นสุขแต่สุขไม่นาน ความทุกข์ก็ตามมาทันอีกกลายเป็นภาระที่ต้องขยับหนีความทุกข์เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดในทางจิตใจก็มีอารมณ์ที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างหมุนเวียนไปไม่สิ้นสุดเช่นกันเป็นภาระที่น่าเหนื่อยหน่ายยิ่งนักการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจึงไม่เพียงแต่เป็นเครื่องทำลายวิปลาสว่าเวทนาเป็นสุข แต่ยังทำลายวิปลาสที่เห็นว่ารูปนามเป็นสุขลงได้ด้วยทำให้สามารถละความยึดถือรูปนามเสียได้เนื่องจากรู้ความจริงแล้วว่ารูปนามเป็นทุกข์ที่ไม่น่าปรารถนาอีกต่อไป เชิญอ่านป ร, ริยัติธรรมต่อ 2.3 จิตตานุปัสสนาสติปทานหมายถึงการตั้งมั่นในการตามรู้จิตอยู่เนืองเนืองมีประเด็นที่ควรทราบดังนี้คือ 2.3.1 จิตตานุปัสสนาสติปทานแบ่งเป็น16บัพพะได้แก่คู่ที่หนึ่งจิตมีราคะ จิตไม่มีราคะคู่ที่สองจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะคู่ที่สามจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะคู่ที่สี่จิตมีถีนมิทะคือความหดหู่จิตมีความฟุ้งซา่านคู่ที่ห้าจิตเป็นมากกตัคือรูปาวจรและอรูปาวจร จิตเป็นอมหกตะคือกามาวจรคู่ที่หกจิตเป็นสอุตระคือมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือกามาวจรจิตเป็นอนุตรคือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าคือรูปาวจรและอรูปาวจรคู่ที่เจ็ดจิตเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิคู่ที่แปด จิตประหารกิเลสจิตไม่ประหารกิเลสข้อสังเกตของผู้เขียนถึงแม้จิตในจิตตานุปัสนาสติปาฐานจะมีถึง8คู่หรือ16บัพบพะแต่ในทางปฏิบัติจริงสำหรับผู้ที่ไม่ได้ชาญก็ให้ตามระลึกรู้จิตเพียงสี่คู่แรกก็พอแล้วเพราะจิตที่เกินกว่านั้นไม่ได้เกิดมีขึ้นเนือง เชิญอ่านประยะิยติธรรมต่อ 2.3.2 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้ไม่ได้กล่าวถึงโลกุตระจิตเลยเพราะโลกุตระจิตใช้เป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานไม่ได้เนื่องจากไม่ได้เกิดนเนื่งเนืองอีกประการหนึ่งโลกุตระจิตไม่จัดเป็นอุปาทานขันจึงไม่ใช่ทุกขสัตว์ที่จะต้องรู้ตามหลักของการปฏิบัติ ในเรื่องกิจในอริยสัจสองจุ 3. 3. 3. จิตทั้ง16บัพบพะในจิตตานุปัสนาสติปทานใช้เจริญวิปัสนาได้อย่างเดียวยกเว้นอรูปาวจรจิตสี่ดวงคืออากาสานัญจายตนะกุศลจิตอาการสานัญจายตนะกิริยาจิตอากินจัญญายตนะกุศลจิตและอากินจัญญายตนะ กิริยาจิตใช้เป็นอารมณ์ในการเจริญสมปถภาวนาได้ด้วยก็สังเกตของผู้เขียนก็จิตสี่ดวงนี้เป็นจิตที่รู้อารมณ์สองชนิดคือรู้ช่องว่างอย่างหนึ่งกับรู้ความไม่มีอะไรเลยอีกอย่างหนึ่งและถ้าเป็นจิตของผู้ที่ไม่ใช่พระอรหรันยังเป็นจิตที่ไม่พ้นการกระทำกรรมก็เรียกว่า กุศลจิตถ้าเป็นจิตพระอรหันต์พ้นจากการกระทำกรรมแล้วก็เรียกว่ากิริยาจิตขอนักดูจิตส่วนมากมักหลงเพ่งช่องว่างในใจบ้างเพ่งความว่างคือความไม่มีอะไรในใจบ้างเป็นการหลงไปทำสมถะทั้งที่คิดว่ากำลังจเจริญวิปัสสนาอยู่จุดนี้จะต้องระมัดระวังให้มาก หากมีสติลึกรู้จิตที่เพ่งช่องว่างหรือความว่างเป็นอารมณ์รู้ว่าจิตนั้นเป็นแต่เพียงนามธรรมเมื่อมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปอย่างนี้จึงจะเป็นการเจริญวิปัสสนาหลวงปูดูลอตุโลท่านเคยสอนผู้เขียนไว้ว่าผู้ดูจิตบางคนสามารถจะได้อารุปฌานโดยอันตโนมัติ คือไม่ต้องฝึกหัดเป็นการเฉพาะก็พราะจิตพลิกไปมาระหว่างการทำสมถะและวิปัสสนาอย่างนี้เอง เชิญอ่านปริยัติธรรมต่อ 2.3.4 การเจริญจิตตานุปัสนาสติปทานทำให้รู้ว่า 1. จิตที่ปรากฏอยู่นั้นเป็นจิตชนิดใดเช่นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงและไม่ใช่เราโลภเราโกรธเราหลง 2. เมื่อเจริญสติมากเข้า ก็จะรู้ความจริงที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกว่าสภาวะของโลกโกรธหลงที่ปรากฏอยู่นั้นเป็นเพียงอาการของจิตหรือเป็นสิ่งที่เข้ามาประกอบจิตคือเจตสิกยังไม่ใช่จิตส่วนจิตเป็นนามธรรมาอีกอย่างหนึ่งซึ่งทำหน้าที่รู้อารมณ์และจิตก็ไม่ใช่เราด้วยและ3จิตเป็นสิ่งที่เกิดดับรวดเร็วมาก และบังคับไม่ได้คือจะห้ามไม่ให้จิตอย่างนั้นเกิดก็ไม่ได้จะให้เกิดแต่จิตอย่างนี้ก็ไม่ได้จะห้ามไม่ให้ดับก็ไม่ได้เพราะจิตย่อมเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยปรงแต่งเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยปรงแต่งจิตก็ดับไป 2.3.5 จิตทั้ง16บัพพะมีองค์ธรรมอันเดียวคือจิต ซึ่งเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เวลาปฏิบัติจึงตามรู้จิตทั้ง16บับพะหรือ8ดคู่ไปได้เลยไม่ต้องแยกย่อยตามรู้เฉพาะบับพะใดบับพะหนึ่งแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ชาญก็ดูจิตเพียงแดบับพะแรกหรือสี่คู่แรกเพราะมีจิตเกิดอยู่จริงเพียงเท่านั้น 2.3.6 คําคำว่าจิตในจิต จิตในจิตอันเป็นภายในจิตในจิตอันเป็นภายนอกมีความหมายทํานองเดียวกับกายในกายเป็นต้นนั่นเอง 2.3.7 กล่าวโดยสรุปจิตตานนปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อเจริญแล้วย่อมทําให้เห็นความเป็นจริงว่าจิตไม่ใช่เราแล้วละความยึดถือจิตเสียได้และทําให้เห็นความจริงว่าจิตเกิดดับ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นการทำลายวิปลาสที่เห็นว่าจิตเที่ยงลงได้ข้อสังเกตของผู้เขียนก็การเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นแม้จะได้ชื่อว่าเป็นการมีสติรู้จิตเนื่งเนืองแต่เมื่อปฏิบัติมากเข้าก็จะพบว่าบรรดาราคะโทสะโมหะ ความฟงซ่านและความหดหู่นั้นไม่ใช่จิตหากแต่เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่สามารถปรุงแต่งจิตได้คือเจตสิก ต, ตัวจิตเองมีลักษณะเพียงอย่างเดียวคือเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ไม่ดีหรือชั่วด้วยตัวเองแต่ดีหรือชั่วไปตามเจตสิกเปรียบเหมือนน้ําที่สะอาดปราศจากสีกลิ่นรส แต่มีสีกลิ่นรสไปตามสิ่งที่ปะปนเข้ามาจิตที่เป็นธรรมชาติรู้อารมณ์นี้บางทีนักปฏิบัติก็มักนิยมเรียกกันว่าจิตผู้รู้และบางท่านเกิดความสำคัญผิดว่าจิตผู้รู้เที่ยงคือไม่แตกดับแท้จริงจิตก็ไม่ได้มีอยู่ดวงเดียวแต่จิตเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหก สืบเนื่องกันไปไม่ขาดสายมีข้อยกเว้นบ้างบางกรณีที่มีการเข้าสมาบัติบางอย่างที่จิตดับแต่ก็ดับได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นขอผู้ปฏิบัติที่เห็นความจริงว่าจิตเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกไม่ใช่มีจิตดวงเดียวที่ไม่เกิดไม่ดับจะหมดความสนใจที่จะรักษาจิตให้ดีตลอดไปเพราะรู้ว่าจิตไม่เที่ยง และไม่ต้องหาทางดับอากุศลจิตด้วยเพราะถึงไม่หาทางดับมันก็ดับของมันเองเมื่อเหตุเมื่อปัจจัยเปลี่ยนไปขอเบื้องต้นที่เจริญจิตตานุปัสสนาสติปทานนั้นกำลังของสติปัญญายัางไม่แก่กล้าพอผู้ปฏิบัติอาจรู้สึกว่าจิตกำลังมีกิเลสเช่นจิตกำลังมีราคะ แต่เมื่อสติปัญญาแก่กล้าขึ้นก็จะพบว่าทันทีที่เกิดสติหรือเกิดความรู้สึกตัวจิตไม่มีกิเลสแล้วแต่ก็รู้ได้ว่าจิตในอดีตที่เพิ่งดับไปแล้วนั้นเป็นจิตมีราคะส่วนจิตที่รู้สึกตัวอยู่เป็นจิตไม่มีราคะนี้คือการเห็นจิตมีราคะและจิตไม่มีราคะเป็นของคู่กัน สำหรับจิตมีโทสะและจิตไม่มีโทสะกับจิตมีโมหะและจิตไม่มีโมหะก็มีลักษณะทํานองเดียวกันนี้งอการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปทานแม้จะทำลายนิจสัญญาคือความเห็นผิดว่าจิตเที่ยงและทำให้รู้ความจริงว่าจิตไม่เที่ยงหรือเป็นอนิจจังก็ตามแต่ผู้ปฏิบัติบางคนได้รู้ได้เข้าใจว่า จิตเป็นอนัตตาก็มีเหมือนกันไม่มีข้อจํากัดว่าจะเห็นได้เฉพาะจิตเป็นอนิจจงเท่านั้นเชิญอ่านประยติธนนรรมต่อ 2.4 ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหมายถึงการตั้งมั่นในการตามรึรู้ธรรมอยู่เหนืองเนืองมีสาระสำคัญคือ 2.4.1 ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแบ่งเป็นห้าบัพพะได้แก่ 1. นิวรห 2. าขันห 3. อายตนะส2 4. องส โคดชงเจ็และ 5. าอริยสัตว์4หลักในการปฏิบัติก็เป็นเช่นเดียวกับปัฏฐานอื่นๆคือเมื่อทมใดปรากฏขึ้นก็รู้ทันว่าทรนั้ น, นั้นเกิดขึ้นเมื่อทมที่เกิดขึ้นนั้นดับไปก็เหรอรู้ทันว่าทำนั้นนั้นดับไป 2.4.2 ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานใช้ในการเจริญวิปัสสนาอย่างเดียว เป็นการพิจารณารู้เห็นทั้งรูปและนามกล่าวได้ว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานและจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งสามนี้ย่อมรวมลงได้ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งสิน้น 2.4.3 าคำว่าธรรมในธรรมธรรมในธรรมอันเป็นภายในและธรรมในธรรมอันเป็นภายนอก มีความหมายทํานองเดียวกับกายในกายเป็นต้นนั่นเอง 2.4.4 กล่าวโดยสรุปธรรมานุปัสสนาสติปฐานเมื่อเจริญแล้วย่อมทํใหเห็นความจริงว่าธรรมคือรูปนามไม่ใช่เราบังคับไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดดับไปตามเหตุตามปัจจัยปรุงแต่ง และจะทำลายวิปลาสที่เห็นว่าทาเป็นอัตตาตัวตนลงได้ข้อสังเกตของผู้เขียนก็การเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานและจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้ง3นี้ถ้าเปรียบก็คล้ายกับการหัดว่ายน้ำในสระในคลองและในแม่น้ำจะเริ่มหัดว่ายน้ำในที่ใดก่อนก็ได้แล้วแต่โอกาส เมื่อว่ายน้ำเป็นแล้วต่อแต่นั้นเมื่อพบน้ำที่ใดก็ว่ายได้ไม่มีขีดจำกัดว่าต้องว่ายน้ำในสะอย่างเดียวผู้ที่จเจริญสติในปัฐฐานใดปฐฐานหนึ่งจนชำนาญแล้วจิตย่อมสามารถเที่ยวไปในปฐฐานทั้งปวงได้อย่างไม่มีขีดจำกัดด้วยกําลังของมหาสติจะรู้รูปก็เข้าใจรูปจะรู้นามก็เข้าใจน้ำ เป็นการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานไปได้เองเช่นเมื่อชำนาญในเอียริยาบท4ีสามารถมีสติสัมปชัญญะตามรู้ตามเข้าใจรูปยืนเดินนั่งนอนได้จัดเจนแล้วต่อมาเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงใจกระทบความคิดนึกปรุงแต่งสติก็จะเกิดขึ้นเองเป็นอันตโนมัติ ในการรู้ทั้งรูปและนามขอมีผู้ถามผู้เขียนเสมอว่าในนิวรณ์บัพพะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่านิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสยได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยแสดงว่าในการเจริญสติปัฏฐานนั้นท่านสอนให้รู้ด้วยและละด้วยใช่ไหม เรื่องนี้ผู้เขียนต้องตอบอยู่เสมอนับเป็นปีมาแล้วว่าคำกิริยาหลักในประโยคที่ยกมานั้นคือรู้ชัดขอย้ำว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้ชัดไม่ได้สอนให้ละเพราะนิวรณ์เป็นนามจึงเป็นทุกข์สัต์ซึ่งมีกฎแน่นอนตายตัวว่าทุกต้องรู้การปฏิบัติวิปัสสนาจะผิดจากกฎข้อนี้ไม่ได้เลย เชิญอ่านประยะิยัติธรรมต่อสสรุปสติปัฏฐาน 3.1 การเจริญสติปัฏฐานทำไปเพื่อเกิดปัญญารู้เห็นว่ากายก็สักแต่ว่ากายเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาจิตก็สักแต่ว่าจิตธรรมก็สักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตน เราเขาแม่ยานความรู้นั้นก็เพียงสักแต่ว่ารู้สติที่ระลึกก็เพียงสักแต่ว่าอาศัยระลึกตัณหาและทิฏฐิไม่อิงอาศัยไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดกล่าวคือไม่ยึดมั่นว่านั่นเป็นเราคือยึดมั่นในตัณหาเราเป็นนั่นคือยึดมั่นในมานะและ นั่นเป็นตัวเราคือยึดมั่นในทิฏฐิข้อสังเกตของผู้เขียนก็ตรงคำว่าญาณความรู้นั้นก็เพียงสักแต่ว่ารู้เป็นเรื่องน่ารับฟังมากเพราะผู้เขียนสังเกตเห็นเสมอว่าผู้ปฏิบัติมักหลงไปให้ความสาคัญกับตัวองค์ความรู้มากกว่าการรู้หรือการเจริญสติ เช่นเมื่อเกิดความสงสัยว่าจะเจริญสติอย่างใดจึงจะถูกต้องแทนที่จะรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่คือรู้อาการสงสัยของจิตเพื่อจะได้เห็นว่าความสงสัยเป็นเพียงสภาวะธรรมอันหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปกลับไปพยายามคิดหาคําตอบในเรื่องที่สงสัยนั้นเพราะอยากมีความรู้ความเข้าใจ เป็นการทิ้งอารมณ์ปรมัติคือความสงสัยไปวุ่นวายอยู่กับความคิดซึ่งเป็นสมบุติบัญญตัติผู้นั้นจึงถูกตันหาและทิฏฐิครอบงำอย่างน่าเสียดายขอตรงคำว่าสติที่ระลึกก็เพียงสักว่าอาศัยระลึกก็น่ารับฟังมากเช่นกันหมายความว่าหนึ่งให้สักว่า อาศัยระลึกรู้อารมณ์รูปนามไปอย่างสบายๆไม่ใช่ระลึกอย่างเอาเป็นเอาตายด้วยอำนาจของตัณหาและทิฏฐิและ2ระลึกแล้วอย่าเข้าไปแทรกแซงในทางพยายามแก้ไขหรือรักษาอารมณ์รูปนามทั้งปวงนั้นปล่อยให้อารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาผู้ปฏิบัติมีหน้าที่เพียง การเรียนรู้ความเป็นจริงของอารมณ์เหล่านั้นเท่านั้นเชิญอ่านประยติธรรมต่อ 3.2 กายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีอารมณ์หยาบเป็นเหตุแห่งความบริสุทธิ์จากกิเลสของมันทบุคคณคือผู้รู้ช้าที่มีตัณหาจริตเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมีอารมณ์ละเอียดสุขุมเป็นเหตุแห่งความบริสุทธิ์จากกิเลสของติขบุคุณคือผู้รู้เร็วเพราะมีปัญญากล้า ที่มีตัณหาจริตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีอารมณ์ไม่กว้างขวางนักเป็นเหตุแห่งความบริสุทธิ์จากกิเลส ข, ของมันทบุคคลคือผู้รู้ช้าที่มีทิฏฐิจริตธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีอารมณ์กว้างขวางมากเป็นเหตุแห่งความบริสุทธิ์จากกิเลส ข, ของติดกั บ, บคนคือผู้รู้เร็วเพราะมีปัญญากล้าที่มีทิฏฐิจริต .3 ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานและเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมาะกับสมถียานิกแปลว่าผู้มีสมถะเป็น ญ, ญาณคือผู้ทําความสงบก่อนแล้วเจริญปัญญาในภายหลังส่วนจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกแปลว่าผู้มีวิปัสสนาเป็น ญ, ญาณ 3.4 ผู้ปรารถนามรคผลจำเป็นต้องเจริญสติปัฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง 3.5 ห้นทางคือสติปัฏฐานทั้งสีนี้เมื่อบุคคลอบรมทำให้เกิดขึ้นแล้วย่อมกระทาให้แจ้งซึ่งพระนิพพานข้อสังเกตของผู้เขียนก่อ ตำราเรียนอภิธรรมและอัตกคถามหาสติปฐานสูตรท่านยืนยันไว้ว่าอารมณ์ทั้งสี่ของมหาสติปฐานเหมาะสมกับบุคคลหลายประเภทที่แตกต่างกันจุดนี้ผู้เขียนเห็นด้วยยิ่งกว่าคำสอนที่ว่ากายานุปัสนาสติปฐานทำง่ายกว่าสติปัานาย่างอื่นซึ่งเป็นคำกล่าวที่ได้ยินได้ฟังทั่วไปในสำนักปฏิบัติต่าง เพราะความง่ายหรือยากย่อมขึ้นกับองค์ประกอบหลายอย่างคือความแก่รอบของปัญญาที่ต่างกันสองการเลือกอารมณ์ได้ถูกกับจริตที่ต่างกันระหว่างตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตไม่เกี่ยวกับเรื่องราคะจริตโทสะจริตโมหจริตพุทธิจริตสัทธาจริตและวิตกจริตซึ่งเป็นจริตที่ใช้พิจารณาเลือกอารมณ์ ในการทำสมถกรรมฐานและสความถนัดของจิตที่จะดำเนินในแนวทางของสมถียานิกหรือวิปัสสนาญานิกตัวอย่างเช่น 1. ผู้ที่มีปัญญากล้าและมีทิฏฐิจริตสมควรจเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหากให้ไปจเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน อาจจะเบื่อหนายกับความคับแคบของอารมณ์กายและไม่สนใจที่จะตามระลึกรู้กายอยู่เนืองๆก็ได้หรือ 2. บุคคลผู้หนึ่งไม่สามารถกระทําฌานได้หากต้องเจริญกายานุปัสนาสติปทานซึ่งเหมาะกับสมถยา น, นิกก็อาจจะรู้สึกฟืดฟนอย่างมากหรืออาจหลงเปลี่ยนจากการตามรู้กายไปเป็นการเพ่งกายก็เป็นได้ ขอในตำราท่านขโมทดท้ายไ้ด้วยว่าให้ทำสติปัฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าต้องทำให้ครบทุกอย่างในอัตถกถามหาสติปัฏฐานสูตรท่านเปรียบสติปัฏฐานสี่เหมือนประตูเมืองสี่ทิศให้เข้าเพียงประตูเดียวก็เข้าเมืองได้แล้วตรงจุดนี้มีเหตุผลที่น่ารับฟังยิ่งเพราะสติปัฏฐานอันใดอันหนึ่ง ก็สามารถทำให้เกิดความเห็นถูกได้เหมือนเหมือนกันว่ารูปนามอันเป็นภายในและภายนอกทั้งปวงล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเมื่อปฏิบัติมากเข้าตัณหาและทิฏฐิจะไม่อิงอาศัยในจิตและจิตไม่ยึดมั่นอะไรเลยได้เหมือนเหมือนกันแม้จะฝึกรู้รูปหรือนามเพียงบับพะเดียวแต่เมื่อเกิดความเข้าใจ ก็ย่อมเข้าใจธรรมทั่วถึงทั้งรูปและนามเช่นการระลึกรู้รูปยืนเดินนั่งนอนแม้จะเป็นการรู้รูปแต่เมื่อปฏิบัติแล้วก็จะรู้นามได้ด้วยเพราะนามเป็นผู้สั่งให้เกิดการเปลี่ยนอิริยาบถหรือการรู้จิตซึ่งเป็นนามก็จะรู้รูปได้ด้วยเพราะรูปเป็นที่เกิดของจิตเช่น หูกระทบเสียงแล้วเกิดนามรู้ท้งหูแล้วส่งข้อมูลต่อให้เกิดจิตที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นต้นดังนั้นแม้จะเริ่มปฏิบัติโดยใช้อารมณ์รูปนามเพียงอย่างหนึ่งอย่างใดพอจิตชำนาญในการเจริญสติแล้วจิตจะสามารถท่องเที่ยวไปในสติปัฏฐาน4ได้อย่างไม่มีอะไรติดขัดเลยนอกจากนี้การเจริญสติปัฏฐาน ไม่ว่าจะใช้ปัฏฐานใดก็เป็นเหตุให้สติเกิดขึ้นเนืองๆได้เหมือนกันเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วบรรดาธรรมฝ่ายกุศลทั้งหลายก็มีโอกาสเกิดตามมาคือย่อมเกิดฮิริโอตปะอินทรยสังวรศีล ส, สัมมาสมาธิยถาภูตาทัทสนะวิมุตติและวิมุตติยานัทสนะตามกันมาได้ดังนั้น ไม่ว่าจะเจริญสติปัฏฐานอย่างหนึ่งอย่างใดก็สามารถทำนิพพานให้แจ้งได้เหมือนกันขอบางท่านสงสัยว่าในเบื้องต้นจะเริ่มหัดเจริญสติปัฏฐานโดยใช้ธรรมเป็นอารมณ์เลยทีเดียวได้หรือไม่ขอตอบว่า ได้ถ้ามีกำลังสติและสัมมาสมาธิเพียงพอดังเช่นที่พระพุทธเจ้าเมื่อทรงตรัสรู้ด้วยการประจักษ์แจ้งอริยสัจว์่ตามปฏิจจสมุปบาทนัยะแล้วพระองค์ทรงแสดงอริยสัจสี่ในธรรมจักรกะปะวัตนสูตรและความเป็นไตรลักษณ์ของขันหในอนัตตลักษณสูตรให้นักบวชคือภิกษุปัญจวคีฟังทรงแสดงอริยสัจ ให้ยศกุลบุตรรวมทั้งครอบครัวและสหายฟังและส่งแสดงเรื่องอาญตนะในอาทิตยปริยายสูตรให้จะดิน 1,000 รูปฟังจะเห็นได้ว่าเรื่องอริยสัจขันและอายาตนะล้วนเป็นเรื่องในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งสิน้นดังนั้นจึงไม่ควรคิดว่าการเจริญสติปัฏฐานหรือการปฏิบัติวิปัสสนา จะต้องเริ่มต้นจากฐานกายก่อนเสมอไปเพราะเป็นความเชื่อที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงทั้งด้านพระสูตรและพระอภิธรรมในยุคสมัยนี้แม้หลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระประมาจารย์ของพระป่าจะมีชื่อเสียงในด้านการสอนให้สหิท บ, บริกรรมพุทโธและพิจารณากายแต่ท่านก็สอนสิทธิบางรูปด้วยกรรมฐานชนิดอื่น เช่นสอนให้หลวงปู่ดูลัตุโลจเจริญสติในข้อธรรมว่าสัพเพสังขาราสัพปสัญญาอนัตตาซึ่งก็คือการจเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในขันธบั พ, พะทั้งที่หลวงปู่ดูลลในครั้งก็นั้นเพิ่งจะเข้ารับการอบรมธรรมจากหลวงปู่มั่นไม่นานนักและมีคุณธรรมในขั้นเบื้องต้นเท่านั้นนอกจากนี้หลวงปู่สวัสดิสุวัโจ ได้กรุณาเล่าว่าเมื่อท่านเข้าไปกราบหลวงปู่มั่นในครั้งแรกหลวงปู่มั่นสอนท่านว่าการปฏิบัติธรรมจะต้องมีสติรู้กายหรือรู้จิตถ้ารู้กายไม่ได้ก็ให้รู้จิตถ้ารู้จิตไม่ได้ก็ให้รู้กายและที่ให้รู้กายก็เพื่อจะรู้จิตจากเทพธรรมะของหลวงปู่สุวัสด์สุวัจโจ มวนที่15เรื่องสติกระถินวัดเมตตาวนารามนี้แสดงถึงอัจฉริยภาพของหลวงปู่มั่นที่ท่านสามารถจำแนกแจกธรรมได้อย่างกว้างขวางเหมาะสมกับจริตนิสัยของสิทธิ์จนสามารถสร้างพระดีได้นับเป็นร้อยองค์สำหรับหลวงปู่ดูลัตตุโลท่านสอนเรื่องการดูจิตซึ่งความจริงไม่ใช่การเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเท่านั้น แต่เป็นการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปฐานคือเป็นที่รวมของการเจริญสติปฐานด้วยการรู้อารมณ์ที่เป็นรูปนามกล่าวคือก่อนการดูจิตท่านมักสอนว่าอย่าส่งจิตออกนอกซึ่งก็คืออย่าหลงอย่าเผลอไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะและธรรมารมด้วยอำนาจของตัณหา6กอย่าง เพราะถ้าหลงหรือเผลอแล้วความคิดหรือสมมุติบัญญัติจะปิดบังอารมณ์ปรมาัศน์ถ้าไม่หลงอารมณ์ปรมาัศ์ใดกําลังปรากฏไม่ว่าจะเป็นรูปหรือนามก็จะสามารถรู้อารมณ์นั้นได้โดยไม่ต้องจงใจรู้อย่างไรก็ตามท่านไม่เคยสอนให้หาทางดับความคิดโดยตรงแต่เมื่อไม่หลงส่งจิตออกนอก ความคิดจะไม่สามารถปิดบังความจริงได้เลยนี้ก็คือการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในอริยสัจบับพะนั่นเองในระหว่างที่ดูจิตนั้นอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้าเป็นรูปก็มีดังที่ท่านสอนว่าตาเห็นรูปจิตยินดียินร้ายก็รู้หูได้ยินเสียงจิตยินดียินร้ายก็รู้ ตรงจุดนี้ถ้ารู้ทันจิตจริงๆแล้วจะพบว่าสิ่งที่ตาได้ดูหูได้ยินล้วนเป็นรูปประมัดไม่มีดีมีชั่วอะไรต่อเมื่อจิตเกิดความสำคัญมั่นหมายไปตามอํานาจของสัญญาแล้วจิตจึงปรุงแต่งกุศลหรืออกุศลขึ้นมาที่จิตตรงที่ตาเห็นรูปนั้นรูปเป็นรูปตาเป็นรูปความรู้อารมณ์ทางตาเป็นนามจิต กิเลสหรือสังโยชน์ที่แฝงตัวตามภายหลังการกระทบอารมณ์ทางตาเป็นนามเจตสิกเป็นต้นนี่ก็คือการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในอาญาตนาบัพภะนั่นเองในระหว่างที่ดูจิตอยู่นั้นเวทนาเกิดขึ้นก็รู้ชัดด้วยใจเวทนาเป็นนามเจตสิกร่างกายที่เวทนาอาศัยเกิดเป็นรูปความรู้อารมณ์ทางใจ เป็นนามจิตและหากเป็นเวทนาทางใจจุดที่เวทนาทางใจผุดขึ้นนั้นคือหัยรูปเป็นรูปการรู้เวทนาทั้งหลายทั้งที่เป็นสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสและอุเบคาเหล่านี้เป็นการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปฐานและเป็นการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปฐานในขันธบพะด้วย ในระหว่างที่ดูจิตอยู่นั้นกุศลหรืออกุศลเกิดขึ้นก็รู้ชัดด้วยใจกุศลและอกุศลเป็นนามเจตสิกจุดที่กุศลและอกุศลผุดขึ้นคืออัธยรูปเป็นรูปความรู้อารมณ์ทางใจเป็นนามจิตการรู้จิตที่เป็นกุศลและอกุศลทั้งหลายเหล่านี้เป็นการเจริญจิตตานุปัสนาสติปทาน และเป็นการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในขันธบั พ, พะด้วยในระหว่างที่ดูจิตอยู่นั้นนิวรณปรากฏขึ้นและดับไปก็รู้อาญตนาใดทางงานก็รู้องค์ธรรมในโพจนชงองค์ใดปรากฏขึ้นก็รู้ตัณหาเกิดขึ้นทางทวารใดก็รู้เหล่านี้เป็นการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งสิน้น คำสอนที่ว่ากายานุปัสนาสติปฐานเหมาะสมกับสมถยานิกนั้นเป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์พระปาท่านถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดคือท่านจะต้องทำความสงบจิตก่อนด้วยการเจริญสติปฐานในส่วนที่เป็นอารมณ์สมถะคือเจริญอาณาปานสติบ้างปฏิกูลสัญญาและอสุภกรรมฐานบ้างจนข่มนิวรนได้มีจิตเป็นหนึ่ง มีอารมณ์เป็นหนึ่งบรรลุถึงอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิตามชนิดของอารมณ์กรรมฐานที่ทำอยู่อันจัดเป็นจิตตวิสุทธิเมื่อจิตถอดถอนออกจากสมาธิแล้วท่านที่ได้อปปนาสมาธิก็ย้อนพิจารณาอารมณ์ขององค์ฌานและทุกท่านจะต้องเจริญสติรู้รูปยืนเดินนั่งนอนบ้างรู้อิริยาบถย่อยบ้างรู้ธาตุกรรมฐานบ้าง เป็นการเจริญวิปัสนาภายหลังจากการทำความสงบจิตจนถึงอุปจาระสมาธิหรืออัปปนาสมาธิแล้วซึ่งก็เกิดผลดียิ่งเพราะในขณะที่มีสติระลึกรู้กายนั้นจิตมีความตั้งมั่นคือมีสัมมาสมาธิเป็นกำลังสนับสนุนอยู่จึงมีปัญญาเห็นว่ารูปไม่ใช่เราในทันทีที่สติระลึกรู้รูปนั่นเอง นอกจากนี้ครูบาอาจารย์พระป่าบางรูปยังทำสมาธิจ น, จนจิตเข้าถึงความตั้งมั่นมีสติรู้อยู่ที่จิตได้อย่างชำนาญเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็น้อมนึกพิจารณากายให้เป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเป็นาธาตุเป็นขันตรงจุดนี้ยังไม่ใช่การเจริญวิปัสสนาแต่เป็นการน้อมคิดนำร่องให้จิตคุ้นเคยที่จะรู้กาย เมื่อพิจารณากายพอสมควรแล้วก็กลับทำความสงบเข้าไปอีกจิตก็เกิดนิมิตเห็นกายเป็นอุขานิมิตและปฏิภาคนิมิตแล้วกายก็สลายตัวลงอาศัยที่จิตเคยทำความสงบจนเข้าถึงฐานของจิตมาอย่างชนานาญแล้วพอหมดกายจิตก็รวมเข้ามาที่จิตแล้วเห็นอารมณ์เกิดดับอยู่ที่จิตเป็นการเจริญวิปัสสนา โดยรู้นามประมาจิหากไม่ทําสมาธิเป็นกำลังสนับสนุนจู่จูก็ไปคิดพิจารณากายเมื่อกายสลายลงแล้วจิตจะไม่สามารถรวมลงที่จิตแล ะ, จะเจริญวิปัสสนาไม่ได้จริงดังนั้นท่านจึงเน้นกันนักหนาว่าอย่าทิ้งสมาธิและก็อย่าเอาแต่ทําสมาธิจนละเลยการจเจริญปัญญาด้วย แต่นักปฏิบัติรุ่นหลังบางท่านนิยมเจริญกายานุปัสนาสติปฐานโดยไม่สนใจการทำสมาธิจิตจึงไม่มีความตั้งมั่นพอดังนั้นเมื่อมีสติไประลึกรู้รูปจิตจึงมักถลำลงไปเพ่งหรือกำหนดรูปเช่นเพ่งเทา้าเพ่งท้องเพ่งมือเพ่งกายทั้งกายหรือ เพ่งรูปยืนเดินนั่งนอนหรือหลงคิดเรื่องรูปอันเป็นการหลงทำสมถะทั้งที่คิดว่ากำลังจเจริญวิปัสสนาอยู่จอจากการศึกษาเรื่องสติปัฏฐานที่ผ่านมานี้จะเห็นว่าไม่มีที่ใดเลยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดัดแปลงจิตและอารมณ์รูปนามให้ผิดไปจากความเป็นจริง สิ่งที่นักปฏิบัติทั้งหลายปฏิบัติกันอยู่นั้นมักเป็นเพียงอุบายเฉพาะตัวที่อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ถ่ายทอดให้โดยหวังว่าเมื่อสิบทำตามแล้วถึงจุดหนึ่งจะรู้อารมณ์ปรมัตและเกิดพัฒนาการทางวิปัสสนาปัญญาต่อไปได้ชการจเจริญสติปัฏฐานในเบื้องต้นจะเป็นเพียงการตามรู้รูปนามที่ปรากฏหรือ อนุปัสนายังเจือด้วยจินตามยปัญญาไม่ใช่การเจริญวิปัสนาต่อเมื่อสามารถระลึกรู้และมีปัญญาเห็น 1. สันตติคือความสืบต่อของรูปนามขาดไปต่อหน้าต่อตาคือเห็นอารมณ์อันหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและเห็นอีกอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือเห็น 2. คณะบัญญัติแตกไปคณะบัญญัติคือการบัญญัติหรือมองกลุ่มของรูปนามว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตวนเราเขาไม่สามารถจำแนกสิ่งที่เป็นกลุ่มก้อนนั้นว่าเป็นเพียงรูปนามได้เมื่อเห็นคณะบัญญัติแตกไปจึงจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเจริญวิปัสสนาเป็นภาวนาเมยปัญญาเรื่องนี้จะได้กล่าวถึงอย่างเป็นรูปธรรมในหัวข้อต่ อ, ตอไป